การปฏิบัติทางจิตน่มันมีงานสองงานงานหนึ่งคือสมถะกรรมฐานงานหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นงานหลักสมถะกรรมฐานเป็นงานสนับสนุนสมถะกรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตเนี่ยมีกำลัง สามารถไปเจริญปัญญาได้จิตจะมีกําลังแล้วไปเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตต้องมีแรงนะจิตต้องพักได้พักสงบแล้วจิตจะไปเดินปัญญาได้เนี่ยจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูแลไปเห็นรูปธรรมนามธรรมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกเกิดปัญญา งันเราก็ต้องฝึกให้จิตเรามีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาตรงนี้เป็นงานที่ยากนะแต่เมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราน้มจิตน้อมจิตไปเจริญปัญญาคือมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ มีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมแล้วสภาวธรรมสําคัญสองตัวในการเจริญปัญญาก็คือมีสติเป็นตัวไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีสมาธิคือมีใจที่ตั้งมั่นมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ใ, ใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ได้มาจากการฝึกสมะถะกรรมฐานนี่คนส่วนใหญ่เรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนเข้ามาไม่ถึงแก่นสมะถะกรรมฐานนั้นมุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียวสงบอย่างเดียวก็ได้แต่พักผ่อนมีแรงแต่ว่างโง่ สมถกรรมฐานหลวงพ่อบอกแล้วนะทำไปเพื่อสองอันอนหนึ่งให้มีกําลังแล้วก็มีความสามารถที่จะเจริญปัญญาคือมันต้องเป็นผู้รู้จิตที่จะเป็นผู้รู้ได้เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นมีสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นพวกเราอย่ามักง่ายแปลสมาธิว่าสงบ สงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกฤอษีชีพรทำสมาธิสงบเยอะแยะไปแต่ว่าไม่มีสมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญาเลยไม่มีการทำวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเนียตรัสรู้อริยสัจนะในตัวมรรคเนียจะมีเรื่องของ สมถะวิปัสนาเนที่พระพุทธเจ้าถ้าสรู้เพิ่มมาจากคนอื่นแบบเต็มร้อยเลยก็คือวิปัสนาวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเราจะใช้สติไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจในขณะที่สติไปนำหน้าที่รู้เนี่ยจิตตั้งมั่น เป็นคนรู้ไม่ใช่ผู้สแสดงซะเองแล้วก็ไม่ใช่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ผู้กําหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ทําหน้าที่เป็นผู้เห็นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นใจนี้ไม่กระโดดเข้าไปคลุกอารมณ์ทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่ เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้เห็นความรู้สึกทั้งหลายเคลื่อนไหวผ่านมาจิตเป็นผู้รู้เห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิต่็เป็นผู้รู้มีสามระดับนะอันแรกร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้อันที่สองความรู้สึกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้อันที่สามตัวจิตเองเกิดดับเปลี่ยนแปลง จิตนั่นแหละก็เป็นคนรู้อีกถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบขึ้นมารู้ความจริงเป็นลําดับไปนะก็จะเริ่มเห็นที่เห็นง่ายที่สุดคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอันนี้เห็นง่ายที่สุดคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะมันเห็นคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายแต่นํามาทําเนี่ย ยากที่จะเห็นนางมาทำเป็นของละเอียดความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับเนี่ยเราไม่รู้ว่านี่ก็คือการเกิดการตายเหมือนกันแต่ร่างกายเนี่ยเห็นมันเกิดมันตายยิ่งตัวจิตการจะเห็นจิตเกิดแล้วตายเนียไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต, ต้องค่อยๆฝึกมีสติมีสมาธิให้มากๆนะสติละเอียดอ่อนมาก กระทั่งจิตขยับกระเยื่งเคลื่อนไหวอะไรก็เห็นแล้วในขณะที่เห็นเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตเคลื่อนนิดเดียวก็เสียสภาวะของความเป็นผู้รู้ล้วแล้วลก็พอสติรู้เท่าทันว่ามีการเคลื่อนเกิดขึ้นจิตที่เคลื่อนก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนเหมือนจิตที่รู้กับจิตที่เคลื่อนไปเนะยโค้านกัน เกิดดับสลับกันไปเวลาเคลื่อนบางทีเคลื่อนไปดูบางทีก็เคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รสเคลื่อนไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสทางกายเคลื่อนไปรู้เรื่องราวทางใจจิตมันเคลื่อนได้หกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราหสที่แรกเราจะไม่เห็นจะไม่เห็นจิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือเห็นแล้วก็ยังเห็นไม่ถ่องแท้เราคิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งคืนมาวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งคืนมาวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็วิ่งกลับคืนมาอันนี้เราเรียกว่าเรายังดูไม่เป็นถ้าดูเป็นเราจะเห็นจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้เกิดขึ้นทางใจจิตผู้รู้ที่เกิดขึ้นทางใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ เกิดจิตที่ดูขึ้นมาใหม่ก็ได้จิตที่ฟังก็ได้เราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะไปเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเราเลือกไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างประณีตนะตอนแรกๆอยายจะไม่เห็นถึงขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรเห็นร่างกายกระใจก่อนก็ได้ร่างกายดูง่ายที่สุดเห็นไหมร่างกายถขนานี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่ง สังเกตไหมหร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้อยู่มีตัวที่รู้มันอยู่ข้างในเนี่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรอกเนี่ยอยนี้ก็เรียกว่าเรามีตัวรู้อยู่มีตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในเนี้เป็นคนรู้ว่าร่างกายกําลังนั่งรู้สึกไหมร่างกายกําลังหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจแล้วมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ใจเป็นคนรู้อยู่ จิตเป็นคนรู้อยู่ค่อยๆหัดสังเกตไปนะเราจะแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันห้แยกได้แล้วเราก็จะเตินปัญญาได้การฝึกสมาธิฝึกเพื่อให้ได้จิตผู้รู้มาแล้วก็เป็นจิตผู้รู้ที่มีกำลังจิตจะมีกำลังเมื่อได้พักผ่อนได้สงบ ตองข้ามกับร่างกายนะร่างกายจะมีกำลังถ้าได้เคลื่อนไหวเรื่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆเอ็กเซอร์ซายร่างกายแข็งแรงจิตจะมีกำลังเมื่อจิตหยุดความเคลื่อนไหวตัวนีน้ที่ว่าสงบเราได้แรงแต่สงบเรามีแต่แรงเฉยๆไม่พอนะต้องตั้งมั่นด้วยตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูวิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูทำได้หลายแบบ อันแรกเลยก็คือเข้าฌานซึ่งพวกเราถ้าเข้าฌานไม่เป็นพูดไปก็ไม่รู้เรื่องก็ถึงฌานที่สองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็ใช้พิธีอื่นอาศัยสติรู้ทันเวลาจิตเหมือนสูญเสียสถานะของการเป็นผู้รู้จิตที่ไม่เป็นผู้รู้คือจิตที่เป็นผู้ดูผู้ฟัง ผู gen, ้ได้กลิ่นผู้รู้รสผู้รู้สัมผัสทางกายผู้รู้เรื่องราวทางใจนี่มีหกช่องจิตหลงไปดูเรารู้ว่าจิตหลงไปดูก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นช่วขณะหนึ่งจิตหลงไปฟังเรารู้ว่าจิตหลงไปฟังก็จะเกิดผู้รู้ขึ้นช่วขณะหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นช่วขณะหนึ่ง ความหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันไหนเกิดบ่อยที่สุดใครว่าหลงทางตาเกิดบ่อยที่สุดยกมือหน่อยิไม่ต้องกลัวนะทำเป็นสงวนท่าทีบางคนยังมันทางไหนทางไหนยังไม่รู้เลยใครไม่รู้บ้างว่าจิตหลงไปทางไหนมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกาใจใครไม่รู้สารภาพยกมือกล้าหาหน่อย มีไม่รู้อยู่สองคนเองนะดีผู้กล้าหาญที่เหลือรู้แน่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามตอนต่ตกี้เนี้ยจิตหลงไปทางไหนทางใจอินูเนี้ยเอ ล, ลงทั้งใจนะหาหาอยื่อะไรต่อไปสังเกตไหมว่าขณะเนี้ยใจพวกเราเริ่มเครียดเครียดขึ้นรู้สึกไหม มันเหมือนนักเรียนนะครูกำลังไล่ถามเนะใจมันแน่นๆขึ้มารู้สึกไหมนะถ้าใจแน่นๆเราไม่รู้นะเรียกว่าหลงนะมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วไม่รู้ก็คือหลงนั่นแหละถูกต้องแล้วหลงทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเราตื่นนอนมายังไม่ทันจะลืมตาเราก็เริ่มคิดแล้วจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะแล้วทั้งวันจิตหลงไปอยู่ในความคิด ตอนนอนหลับจิตก็ยังคิดอีกเรียกว่าฝันงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเราจะรู้ได้บ่อยเพราะมีทั้งวันครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นมาที่การหลงคิดเวลาจิตหลงไปคิดเรารู้เราก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหลงไปคิดใหม่รู้อีกก็จะเกิดผู้รู้ขึ้นมาอีกผู้รู้กับผู้หลงเนี่ยสลับกันตรงที่เราเห็นผู้รู้กับผู้หลงสลับกันไปเรื่อยๆ ตรงนี้เราเจริญปัญญาแล้วนะเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตผู้หลงก็ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้เนี่ยตรงที่เห็นมันเกิดดับเกิดดับอยู่ น, ะนั้นเรียกว่าเห็นมันไม่เที่ยงตรงที่เห็นมันควบคุมบังคับไม่ได้ตามใจปรารถนาเนี่เรียกว่าอนัตตา ตรที่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะงนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละทาได้ส่วนการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยมักจะต้องปลีกตัวออกไปอยู่กับโลกธรรมดาอย่างนี้ทํายากถ้าไม่เก่งจริงทําไม่ได้เพราะงั้นสมถะเนี่ยต้องการความสงบส่วนตัวนะหลบหลีกออกจากความวุ่นวายต่างๆ วิปัสสนาน่อยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายก็ทาได้อย่างเราอยู่ในศูนย์การค้านะเสียงก็ดังคนก็เยอะมีของให้ดูก็มากมายเสียงก็เยอะกระทบหูตลอดเวลาของที่จะต้องดูที่น่าดูก็เยอะแยะทางร่างกายก็ต้องระวังไม่เดินไปเหยียบสะดุดเท้าใครเข้าเดี๋ยวสะดุดศีรษะเราเข้าต้องระวัง เวลาเราเข้าไปศูนย์การค้าเนี่ยมีผัดสะเนี่ยรุนแรงรอบทิศทางเลยเราปฏิบัติยังไงทัานั้นมีทั้งหกช่องมากระทบกลิ่นก็มีใช่ไหมในศูนย์การค้ามีกลิ่นไหมกลิ่นหอมไหมไม่แน่บางทีก็เหม็นอย่างบางที่มันมีร้านอาหารอยู่รวมกันเยอะๆเหม็นนะไม่ใช่หอมอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยหอมนะ อาหารทุกชนิดรวมกันเนี่ยกลิ่นพีลึกเลยเนี่ยกลิ่นก็เยอะคนเยอะๆกลิ่นเยอะไหมกลิ่นก็เยอะนะบางคนใส่น้าหอมเราได้กลิ่นแทบสลบในน้ำหอมของเธอเนี่ยฉุนมากเลยเนี่ยเข้าไปในสูนย์คาราน่ะรูปก็เยอะรูปก็รุนแรงมีเยอะเสียงก็รุนแรงกลิ่นก็รุนแรง เหลือรถนั่นนะไม่ได้ไปเดินเหลี่ยนโน่นเลี่ยนนี่เนาะทางกายนะสัมผัสรุนแรงใจกระชอกตลอดเวลาเห็นรูปใจก็กระชอกขึ้นมาได้ยินเสียงใจก็กระชอกไหวจมูกได้กลิ่นใจก็ไหวใช่ไหมกายกระทบสัมผัสใจก็ไหวใจก็คิดฟุ้งซ่านนี่ไหวรุนแรงเลยไม่รู้เรื่อง นกระทบทีหนึ่งหกช่องแล้วจะทำไงที่จะปฏิบัติได้รู้อยู่ที่ใจอันเดียวไม่ต้องดูทีละหกช่องพอตากระทบรูปจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวหูได้ยินเสียงจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวใจคิดนึกปรุงแต่งจิตมันไหวรู้ว่าจิตไหวรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี่แหละ ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้จริงๆจะไปรู้ในอายตนะหกช่องนะรู้ไม่ทันหรอกเพราะอะไรเพราะตาเห็นรูปเนี่ยหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองเห็นได้ทีละขณะจิตเดียวหูได้ยินเสียงได้ยินชั่วขณะจิตเดียวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสได้ทีละขณะจิตเดียวสั้นนิดเดียวดูไม่ทันหรอกมันกระเทือนเข้ามาที่ใจลวะวพอตาเห็นปุ๊บใจกระเทือนปั๊บเลยเนี่ย ที่จริงมีโ Proces สขวาใจจะเข้ามากระเถือนนะมีขั้นตอนเหมือนกันนะตาเห็นรูปก่อนจิตที่ไปเห็นรูปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพอส่งสัญญาณมาตึงใจแล้วจิตตัวส่งสัญญาณดับไปเกิดจิตที่พิจารณาว่าตัวนี้คืออะไรสิ่งที่มากระทบเนี่ยคืออะไร จิตพิจารณาเสร็จนะจิตที่พิจารณาคนดับเกิดจิต ท, ที่ตัดสินใจต่อไปนี้จะเกิดกุศลหรืออกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ไหมว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราเลือกไม่ได้ตาเราเห็นรูปเนี่ยรูปอย่างเดียวกันนะคนสองคนเห็นเนี่ยจิตยังเกิดกุศลอกุศลต่างกันเลยบางคนเห็นพระปุ๊บนะ เลเกียดเยียดหยามให้มัทันทีเลยเพราะฟังข่าวพระชั่วเยอะนะเกลียดพระโทสะขึ้นเลยเห็นพระเดินมานั้นโทสะขึ้นอนี้จิตเป็นอกุศลทันทีอีกคนนึงเห็นพระองค์เดียวกันนั่นแหละจิตเกิดกุศลขึ้นมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ละคนคุ้นเคยแบบไหนก็เป็นแบบนั้นคุ้นเคยกับข้อมูลเดิมว่าพระไม่ดีเห็นพระแล้วจิตอกุศลก็เกิด คุ้เคยเคยรู้จักนะพระดีๆอย่างหลวงพ่อเนะยเห็นพระเนี่ยหลวงพ่อจําแนกแต่ว่าหลวงพ่อไวมันจําแนกเร็วว่าพระดีหรือพระไม่ดีแต่ไ ม, ไม่ไม่ได้เห็นพระแล้วรู้สึกลังเกียจทุกองค์หรอกลังเกียจเป็นบางองค์บางองค์เห็นแล้วปลื้มเห็นแล้วเริ่มใสเนี่ยจิตเราเลือกไม่ได้ ตรงที่เราเห็นจิตมันทํางานนะตากระทบหูกระทบจมูกกระทบอนะไรเนี่ยเราจะไปดูจิตเกิดดับทางตาหูจมูกเล่นแก่ใจดูยากนิดนึงเพราะฉน้นเวลาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคอยรู้ทันอยู่ที่ใจดวงเดียวพอละใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ทันใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลรู้ทันนี่หัดดูจิตทั้งแรกๆดูแค่นี้พอละนะถ้าดูชํานาญต่อไปจะรู้ว่าจิตไปเกิดที่ตาระดับจิตไปเกิดที่หูระดับ อ er damn, ันน oh ั้นต้องเก่งแล้วะ่ะถ้ายังไม่เก่งเนี่ยเอาแค่ว่าจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหดหูก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นต้องฟังเสียงละฆังซิสุขหรือทุกข์หรือเฉยคงจะเฉยอ่ะเพราะจ้องเนี่ยถ้าจ้องรอดูจะเฉย แต่ไม่ได้จ้องฟังสบายๆใครฟังเสียงละฆังแล้วเกิดกุศลบ้างมีไหมใครฟังแล้วเกิดอกุศลบ้างมีไหมนะมีหลายคนนะฟังแล้วเกิดอกุศลเป็นน้ําลายไหลนะ เนื่องจากจำได้สัญญาหมายรู้ว่าข้อระครังแล้วเดี๋ยวจะได้กินข้าวนะเนี่ยเป็นทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะถ้ามาวัดของพ่อประจําพอได้ยินเสียงระครังแนละ้วบางทีน้ำลายไหลเลยนะเนี่ยร่างกายหิวจิตเกิดละโมบเกิดโลภขึ้นมานะตาเห็นรูปจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้ หูได้ยินเสียงนะจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยก็ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้สุขทุกข์หรือเฉยเฉยเกิดขึ้นที่ใจก็ได้ใจหนีไปคิดนีด่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็ได้ เรารู้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี่เองรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่าไปเฝ้าจ้องไว้นะให้ความรู้สึกเกิดให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปจ้องถ้าไปจ้องรอดูแล้วมันจะเฉยอย่างเดียวไม่มีสุขมีทุกข์มีอะไรเฉยๆซื้อบื้อจิตมันมีโมหะเป็นอกุศลแต่ว่าดูยากว่ า, ากุศลมันหลงไปจ้องเวลาเราไปจ้อง อารมณ์กรรมฐานเนี่ยหลงนะหลงไปจ้องตอนที่หาว่ะรู้สึกั้ยขาดสติพอ ห, ห, หาเสร็จแล้วพระอามือลงแล้วก็ดึขึ้นไดไ้เนี่ยจิตเป็นอกุศลแล้วก็เปลี่ยนเป็นกุศลอีก เ, เกิดดับสลับไปเคยมีสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งชื่อพระปุถิระที่จริงไม่ได้ชื่อปุธิระหรอกชื่ออะไรก็ไม่รู้ แต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกโปทิละโปธิละเพราว่าใบลานที่ว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรคล้ายๆหนังสือสมุดเล่มหนึ่งมีแต่กระดาษ เ, เปล่าๆไม่มีตัวอักษรเรียกว่าโปทิละพระพุทธเจ้าเรียกอย่างนี้เพราะพระองค์เนี้ยจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เยอะมากเลยแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ลงมือปฏิบัติ รู้ธรรมะมากมายด้วยความจำแล้วก็สอนคนอื่นได้เยอะเลยนะเหมือนพวกเราเออมาเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วก็ไปสอนกรรมฐานทั้งๆที่ตัวเองพอวนาไม่เป็นเยอะนะเรียกวานานด้านนาน้จริงไม่รู้จะเรียกงไงคือไปหลอกเขาาตัวเองไม่ได้ภาวนาเป็นนะแต่จำที่หลวงพ่อพูดเนะเอาไปสอนๆๆๆสอนสอนแล้ผิดผิดถูกถูกไปและวโพธิลานเนี่ย ไม่สอนผิดนะสอนถูกตามที่พระพุทธเจ้าบอกเป๊ะเลยแต่ตัวเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมะล้างกิเลสไม่ได้มาถูกพระพุทธเจ้าแซวบ่อยๆเจอหน้าทีไรเรียกว่าใบลานเปล่าคำภีร์ที่ไรตัวอักษรถูกเรียกอย่างนี้เรื่อยๆอายท่านก็นเลยออกจากวัดของท่านนะเข้าวัดป่ารู้นี่ว่าพวกพระอยู่ตามป่าเนี่ยพระกรรมฐานอยากไปเรียนกรรมฐาน เข้าไปถึงก็ไปหาอาจารย์ใหญ่เลยถ้าสมัยที่ผ่านมาก็เหมือนไปหาหลวงตามาหาบัวเนี่ยเข้าไปหาเบอร์หนึ่งเลยหาหลวงตามาหาบัวอาจารย์ใหญ่บอกผมสอนท่านไม่ได้ความรู้ท่านเยอะกว่าผมอีกท่านไปเรียนที่อื่นเถอะท่านก็อดทนนะอาจารย์เบอร์หนึ่งไม่สอนท่านไปถามพระเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ ส, สี่ไม่มีใครยอมสอนกรรมฐ า, านให้ท่านเลย ในที่สุดท่านไปถามเนนเนนเล็กๆนี่แหะท่านไปถามว่าเนนภาวนาได้ไหมได้ให้เนนช่วยสอนด้วยเนนแทนที่จะบอกว่าผมไม่สอนท่านหราท่านมีความรู้เยอะเนนไม่พูดนะเพราะเนนรู้ว่าถ้าเนนพูดเนี่ยท่านปฎิละไม่มีใครสอนแล้วเนนเป็นคนสุดท้ายในวัดแล้วเนนก็บอกว่า ท่านอาจารยนะ์เป็นผู้ใหญ่นะจะมาเรียนกับผมที่เป็นเด็กเนะี่ยผมสั่งอะไรต้องเชื่อฟังนะอย่างคล้ายๆหนังจีนนะบอกสั่งอะไรต้องเชื่ออะไรนะให้ทำอะไรต้องทำรับปากได้ไหมท่านปุถิลาบอกได้นะเนนบอกเนี่ยกาลังผมจีวอนผ้าไหมกันสวยงามราคาแพงพระบ้านเนี่ยไม่ใช่พระวัดป่าได้ใช้ผ้าบางส ก, กุล บอกถ้าอาจารย์ลุยลงไปในครูน้ําเลยท่านโพธีลานะไม่เกี่ยงเลยนะไเดี๋ยวขอถอดจีวรก่อนนะถ้ารุ่นพวกเราเนี่ยจะต่อรองเวลาหลวงพ่อให้ทําอะไรนะเดี๋ยวขอทําอย่างนี้ก่อนนะพวกต่อรองเนี่ยนะเอาดีไม่เคยได้หรอกโพธิล่ะก็ลงน้ําไปในนะพอเริ่มลุยลงน้ําเนี่ยน้ํากําลังจะเปียกชาจีวร น, นะ้ยังไม่ทันจะเปียกเนหมอหยุด ยืนอยู่ในน้ำนั่นแหละแล้วในกยก็ชี้บอกริมตะหลิ่งนียมีจอำปลวกอยู่จอำปลวกหนึ่งเป็นจำปลวกที่ไม่มีปลวกแล้วนะเมืองจีนมีปลวกป่ะจำปลวกประเทศอื่นๆมีใช่ไหมมีจอมปลวกอยู่แต่ไม่มีปลวกแล้วล่ะมีเชียตัวหนึ่งนะเข้าไปขุดจำปลวกข้างในแล้วมันก็เข้าไปทำาลังอยู่ข้างในเป็นบ้านของมัน มันมีรูสำหรับออกจากจอมปลวกเนี่ยหกรูเน น, น, นก็นชี้ให้พระปุทติละดูเนี่ยมีจอมปลวกมีรูหกรูในเฮียอยู่ข้างในถ้าท่านอาจารย์อยากจับเฮียตัวเนี้ยให้ปิดสหรูเฝ้าไว้รูเดียวเราจะจับได้เน น, น, นจะสอนต่อท่านปุทติละบอกพอละเข้าใจละเข้าใจแล้วเวนนนี่เลยบอกเข้าใจแล้วก็ขึ้นมา มาได้ถ้าท่านจาย์ไปพาวนาพวกเราต้องเข้าใจอย่างท่านโพธิละหกช่องคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮียคืออะไรเฮียก็คือจิตของเรานี่แหละโคตรเฮียเลยนะไม่ใช่เฮียธรรมดาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้นะวิ่งไปทําเรื่องเฮียเฮียนั่นแหละส่วนใหญ่ไม่วิ่งออไปทําเรื่องดีๆหรอกนะ ปิดสักห้าช่องแต่ปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาจริงๆนะคอยเฝ้าอยู่ที่ใจอันเดียวเฝ้าอยู่ที่ช่องใจอันเดียวตาไปเห็นรูปเห็นไหมใจมันก็ทํางานขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาหูได้ยินเสียงใจก็ทํางานขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่ใจสุขทุกข์ดีชั่วไม่ไปเกิดที่ตาหรอกมันเกิดที่ใจ นั่นเราค่อยรู้อยู่ที่ใจเหล่านี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับอะไรเกิดอันนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งใจมันปิ๊งขึ้นมาะซาโตริมันปิ๊งขึ้นมามันรู้แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจริงๆไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร วันนี้เป็นวันที่ปิดคอร์สนะหลวงพ่อเลยสอนกรรมฐานที่เอาไปใช้จริงๆเอาไปใช้จริงๆในชีวิตจริงๆเวลาอยู่ในชีวิตจริงๆนี้ยอยรู้ทันใจของตัวเองแต่อย่าเฝ้ารออย่าเฝ้ารอให้ความรู้สึกต่างๆสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรวมความสุขเกิดแล้วรู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดแล้วรู้ว่ามีความทุกข์โลบเกิดแล้วรู้ว่าโลภ ตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดไม่เที่ยงเกิดเราดับความรู้สึกทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้แล้วขั้นสุดท้ายเราจะเห็นจิตไปเกิดทางตาหูจมูกเล่นกายใจตอนนี้เอาแค่ความรู้สึกเกิดดับก่อนที่ใจดวงเดียวค่อยๆเรียนไปทำวันนี้ได้ก็คือมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วล่ะ ค่ๆฝึกไปอยากไปไหมไม่ได้ยากเลยนะอยากร้องคาเราอเกะรู้ว่าอยากร้องเนยพอร้องแล้วหมาหอนโมโหหมาเ อ, อร้องแล้วหมามันหอนขึ้นมานะโมโหรั้ว่าโมโหแค่นี้เองง่ายๆร้องไปแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูดิเพราะที่สุดเลยเพื่อนแทบจะพัวใจวายอยู่แล้วนะ เราร้เรา ร, ร้อเพราะเลยเกินภูมิใจกูเก่งรู้ว่ากำลังหลงตัวว่ากูเก่งเนี่ยดูแค่เนี้ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปรู้ซื่อๆนะไม่ต้องมานยานะเพราะงั้นโรคมานยาเนียอย่าเอามาใช้ในการปฏิบัติมานยาก็คือทำเรียบร้อยนี่ได้ยินเสียงแล้วไปดูตัวอะไรร้อง มันหนีไปนานแล้วหาไม่เจอไม่ต้องมารยาไม่ต้องทำเป็นคนดีเป็นคนเลวก็รู้ว่าเลวนะดีกว่าแกล้งทำเป็นคนดีเรียบร้อยหนูไม่เคยมีกิเลสเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเคยนะสอนมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนที่ <laughs> สวนโหนพหลวงพ่อก็เตือนบอกหลงไปแล้วเขาโมโหนะสะบัดหน้าใส่ดิฉันไม่เคยหลงเลย ทำตาอย่างนี้ด้วยดิฉันไม่เคยหลงเลยเราโอ้โ ห, ห, หน่ากลัวตอนเนี้ขำรู้สึกไหมขำรู้ว่าขำเห็นไหมขำไปก่อนแล้วรู้ว่าขำต้องอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นจะรอดูเดี๋ยวดู้ิหลวงพ่อเริ่มเล่านิทานแล้วเดี๋ยวจะตะขำไหนดูซิเมื่อไหร่จะขำเนียจ้องอย่างนี้ไม่ขำไปดักดูไม่ได้นะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอา ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีพอกิเลสเกิดแล้วรู้เอาเรับรองไม่ไปทำผิดศีลหรอกพอไหวไหมไม่ใช่เรื่องยากนะเอาไปกินข้าวสังเกตไหมพอบอกว่าไปกินข้าวจิตก็เปลี่ยนดูออกไหมนิมนต์ครับเชิญทานข้าว